นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางพิรธรรมะ .com ธรรมมาพระไพบุญอภิปุโนจากวัดป่าละหนโสครับกับผมธนแพทย์นัทพงศ์กนกวิรุณครับผู้ร่วมดำเนินรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ครับตอนนี้เราก็เป็นเอพิโซดที่8ปดใช่เอพิโซดที่8แล้วก็การคุยการเปิดธรรมที่ถูกปิดของเราเนี่ก็จะใช้ลักษณะของพุทธวจนะเท่านั้นเอง ครับผมแล้วก็จะใช้คําพูดของพระพุทเาเนี่ยมาในการวิเคราะห์แยกแยะแจกแจงเปิดประเด็นอะไรต่างๆซึ่งในกรณีนี้หมอรัตพงศ์ก็มาช่วยในการเพิ่มประเด็นแง่คิดต่างๆคําถามอะไรต่างๆก็มาจากทางหมอรัตพงศ์ด้วยครับวันนี้เรามาเจาะลึกทางด้านของสติปัญญาสี่ที่ค้า ง, งไว้จากงวดที่แล้วนะครับใช่ก็รเรื่องของสติปัญฐานยังพูดกันไม่จบครั บ, รบนี่เป็นต่ออยู่ เป็นเรื่องที่พูดกันตอนหนึ่งเต็มๆยังไม่จบเลยนะสติประทานใช่ครับเรื่องใหญ่มากเลยจริงๆพูดกันทั้งชีวิตก็ไม่จบมาแล้วกะบอกครับจริงๆนะครับเพราะว่าแล้วปฏิบัติไปด้วยอเราต้องมีสติตลอดเวลาเลยอย่างกรณีของขมຈอย่างเงี้ยเราดูข่าวขมຈเราดูข่าวใช่ครับบ้านเมืองเป็นยังไงคุณจะมีสติอย่างไรมีอุบายในการนําออกจากเรื่องต่างๆอย่างไงโอ้มันคุยกันไม่จบใช่ครับใช่ครับเพื่อนเพื่นชาติจึงใช้ให้ไกด์ไลน์ให้ เขาเรียกว่าแนวทางดําเนิ น, นวไว้หลักๆในการที่จะทํางานให้จิตของเรามีสตินะออก็เราได้พูดไปแล้วว่าให้ใช้กายนี่แหละทําให้เกิดสติอที่เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปทานถูกต้องหรือรว่าคุณจะใช้เวทนาไหมละ่ะความ ร, รู้สึกเนี่ยให้เป็นที่ตั้งของสติก็ได้แต่บางคนบอกว่าฉันนั่งสมาธิแล้วปวดงั้นฉันจะเอาจิตของฉันไปอยู่แช่อ ย, อยู่ที่ตรงปวดนั่นแหละนะให้มันมีสติทําได้ไหมหมอหรือพงศ์ว่าได้ไหม จิตแช่กัการปวดเออไม่ไม่ไม่แน่ใจครับท่านจิตแ่กับเรื่องนี้บางคนบางคนเอ่อบางคนที่มานั่งสมาธินะคนที่ฝึกสมาธิอยู่เนี่ยเขาจะพบว่าเออถ้าฉันปวดฉันทำังไงดีมันมีสองวิธีการมาจะบอกให้คือหนึ่งถ้าคุณเป็นคนอดทนเนี่ยนะคุณเป็นคนอดทนเนี่ยเนื่องจากเวทนาตรงปวดเนี่ยมันรุนแรงแล้วบางคนปวดแรงมากเลยงั้นตรงเนี้ย เป็นฐานที่ตั้งที่ดีในการที่จะทําให้เกิดสติได้อ๋อเป็นเวทนาสวดทุ ก, ทกเป็นทุกขเวทนาทได้เวทนาครับอ่าเป็นทุกขเวทนาในการที่จะทําให้เรามีจิตอ่ามีสติอยู่ได้แต่นี่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นี่ครับไม่ใช่ว่า<ช>ทุกคนคที่จะเอ่อเกิดเกิดทุกขเวทนาแล้วจะสามารถอดทนอยู่ได้ต้องมีอินทรีย์แก่กล้านะครับอ่าคนนั้นเขาก็ต้องมีความสามารถของเขาระดับหนึ่งหรือวิธีที่สองคุณอย่าไปสนใจ ให้คุณมีสติอยู่ขลมหายใจอย่างเดียวอย่าไปสนใจความรู้สึกเหล่านั้นอันนี้ก็ได้เหมือนกันอ่าอันนี้ก็อยู่กับกายคือลมหายใจครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงให้ให้มุมไว้ตรงนี้มากนะคุณไม่เอากายหรอกคุณเอาเวทนาสิคุณไม่เอาเวทนาคุณจะกลับมาเอากายใครจะว่าอะไรอยาให้มันหนีจากสี่อย่างนี้ก็แล้วกันครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเวทนาเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ชัดเจนว่าเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นยังไงอืมเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นยังไงแล้วไอ้ที่เราบอกว่าปวดปวดเนี่ยม อันดับแรกที่พูดสี่อย่างเนี่ยคือให้เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความปีติหายใจเข้าหายใจออกครับปีติสมมุติคุณสังเกตเราไม่ใช่อยู่อ่ะมีความอิ่มเอิบใจซาบซึ้งอยู่ในใจเนี่ยนั่นแหละคือปีติอ่าอิอ่มเอิบซาบซึ้งอยู่ในใจคือปีตินะถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็อิ่มเอิบซาบซึ้งนี่แหละครับอ่แล้วก็ถ้ามีความสุขแหมในใจนี่มันมีความสุขจริงๆอย่างพวกเอ่า อุบาสกอบาสิกาที่เคยมานั่งสมาธิที่วัดป่าดอนไฮโศกเนี่นะครับเขากลับไปเล่ากันในหมู่บ้านเป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยแหละวันลาต้วงศ์เป็นชาวร้านตลาดชาวบ้านร้านตลาดชาวรากหญ้านี่เลยครับนะเขาบอกโอ้มีความสุขมากๆเลยนะไปถึงนี่นะก็กินก็มีคนทาให้กินไม่ต้องทํากินเองไม่ต้องพูดถึงซื้อกินเลยนะไม่ต้องซื้อนาทีละครั้งก็ไปกินมีถึงเวลาก็ไปนั่งสมาธิถึงเวลาก็ไปเดินจงกรมถึงเวลาก็ไปพักถึงเวลาก็มาฟังธรรม เหมือนอยู่บนสวรรค์ว่าไงโอ้โหบนสวรรค์เวทนานะครับท่านเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอยู่บนสวรรค์เลยเหมือนขึ้นสวรรค์เลยสวรรค์บนดินเลยว่าไงเพราะว่ามันสบายไปหมดทุกอย่างจิตก็สบายกายก็สบายมีที่อยู่ที่ฟังให้เรียบร้อยเนี่ยคืออานิสงส์การหลีกเร้นเขาจะได้เห็นความสุขในภายในอย่างนี้นะก็คือสุขเวทนาใช่ความรู้สึกที่เป็นสุขหายใจเข้าหายใจออกอยู่มีสติในลมหายใจก็เรียกว่าเป็นการ ใช้เวทนาความรู้สึกเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้ครับครับอย่างที่สามก็คือเป็นผู้ที่ตามเห็นจิตการประดุงแต่งการประดุงแต่งในจิตครับผมอันนี้เราพูดถึงเวทนาในเวทนาอยู่ครับอืมเวทนาในเวทนาที่กัมมังบอกว่าเป็นผู้ที่เห็นปีติเห็นสุขใช่ไหมครับแล้วก็เห็นว่าการประดุงแต่งทางจิตครับวอนรพงเคยสงสัยมาว่าเอ๊ะทำไมเห็นการประดุงแต่งในจิตเนี่ย เป็นเป็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี่ถูกไหยที่พระพุทเจ้าบอกว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหรือการปรุงแต่งในจิตเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยเป็นเวทนาในเวทนาอา่าเป็นการตามเห็นซึ่งเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจําำจิตสังขาร น, นะจิตตสังขารการปรุงแต่งในจิตารเป็นเวทนาหรอเนีแล้วก็การทําจิตตะสังขารให้ระงับ เป็นเวทนา อ, อย่างหนึ่งเป็นในเวทนาทั้งหลายนนคือพอเข้าใจครับ อ, อันนี้พอเข้าใจจิตตสังขารให้ระงับก็คือ อ, อย่าไปปรุงแต่งมันอ่าสังขารคือความปรุงแต่งทางจิตเนี่ยก็อย่าไปปรุงแต่งมันอยู่อ ย, อยู่อยู่กับอยู่กับกายเวทนาอย่างที่บอกเนี่ยครับใช่ทีนี้เราต้องมาดูตรงตร ง, ตรงคีย์เวิร์ดตรงนี้เรากำลังจะเปิดทาที่ถูกปิดนะท่านที่สงสัยกําลังฟังอยู่นี่นะครับผ่เอ๊ะมันเป็นเวทนาได้ยังไงอาจารย์จะอธิบายให้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าการทําในใจเป็นอย่างดี ถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั่นเป็นเวทนาอย่างหนึ่งในเวทนาทั้งหลายทําในใจอย่างดีถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั่นคืออะไรผัสสะใช่ค่ะผัสสะเนี่ย <c oughs> ลมหายใจเข้านะมีสัมผัสของลมหายใจในโพรงจมูกถูกปะ่ะ <c oughs> เราเข้า <c oughs> ไป <c oughs> รับรู้ <c oughs> นะตรงเนี้ยคือผัสสะการทําในใจอย่างดีถึงผัสสะเป็นเวทนาอย่างหนึ่งไม่เป็นได้ไงก็เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอ๋อ การที่มีผัสสะแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นมีผัสสะแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงของจิตที่เข้าไปรับรู้ถึงผัสสะแล้วก็ไปมีความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยเป็นการปรุงแต่งอ๋อผล <S <S <S ผลของมาละรับรู้ามาแล้วเป็นผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นอันนี้เป็นเป็นอุเบกขาหรือเปล่าท่านคือการรับรู้ในด้านเนี่ย คือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่เป็นอุเบกขาไหมครับเราตรงนี้ไม่สามารถฟังตรงได้แล้วแต่คนออครับบางคนเนี่ยมีความสุขจากลมหายใจบางคนมีความทุกข์บางคนจมูกเจ็บอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่เป็นโรคบอดต้องเจาะจมูกเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกแตละทีเขามีแต่ความเจ็บปวดเขาก็อาจจะไม่ชอบก็ได้หรือบาง<อ>คนเจ็บปวดแล้วชอบก็มีซึ่งความเจ็บปวดตรงเนี้ต้องแยกให้ออกในเรื่องของขันห้าว่าจริงๆความเจ็บปวดเนี่ยไม่ใช่เวทนานะเป็นสัญญา นึกเราไหมสมมติอาตมาบอกว่ามีอะไรไม่รู้มีความรู้สึกอยู่ตรงเขาวมืวเข่าเนี่ยรับรู้ได้ความรู้สึกอยู่ตรงเข่าคําว่าปวดเนี่ยเป็นสัญญานะไม่ใช่เวทนาแต่ปวดคเวทนาไม่ใช่ทุกขเวทนาแต่ปวดแล้วคุณจะชอบหรือจะไม่ชอบอ่ะบางคนชอบปวดปวดบางคนไม่ชอบปวดถ้าคุณไม่ชอบอถ้าคนมีความรู้สึกที่เป็นสุขกับความรู้สึกปวดนั่นเขาก็จะมีสุขเวทนาในสัญญาของความปวด Oh. ฟังให้ดีนะเขาจะมีสุขเวทนาในสัญญาของความปวดบางคนชอบให้ตีเจ็บๆแล้วชอบ mm hmm. อ่าก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ถูกว่าปวดเนี่ยคือสัญญาอ <c oughs> แล้วก็เวทนาเนี่ยคือแค่ความรู้สึกเฉยๆรู้ชอบสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะนั้นถ้า <c oughs> คุณมีความรู้สึกปวดนะ่ยมีสัญญาปวดเกิดขึ้นที่เขา่าคุณไม่ชอบ <c oughs> นะคุณเป็นทุกขเวทนาอันนี้ก็คือมีทุกขเวทนาในสัญญาของความปวดจากภาษาประเภทนี้ <c oughs> ครับถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะเข้าใจประโยคนี้ว่าทําในใจเป็นอย่างดีถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแสดงว่ามีผัสสะเกิดขึ้นนะตรงนี้นะผัสสะของลมหายใจที่อยู่ด้านในโพรงจมูกเกิดขึ้นแล้วคุณทําในใจอย่างดีตรงเนี้จเกิดอะไรขึ้นและทําใจใจอย่างดีตรงนี้ต้องมีการปรุงแต่งแน่นอนของจิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้เรามาอ่าเรามารับรู้จิตตสังขารเพราะจิตเนี่ยมันอยู่ใต้จิตตาสังขาร ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นก่อนที่คุณจะเห็นจิตได้นะสมมตินี่กายใช่ไหมเราเห็นกายละวเอาหลับตาคุณเห็นจิตใช่ไหมไม่ใช่จิตหรอกนั่นจิตตาสังขารก่อนพอคุณทําจิตตาสังขารให้ระงับแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มเห็นจิตที่อยู่ลึกเข้าไปกว่านั้นอีกออจิตบริสุทธิ์ข้างในจิตพระสอนที่อยู่ในเพราะว่าจิตพระสอนเนี่ยมันปรุงแต่งจิตพระสอนที่มันปรุงแต่งเนี่ยเพราะมันไม่รู้ว่ามันมีอวิชชาซึ่งเราจะพูดในเรื่องของปฏิจจสมุปาทต่อไป อ่า น, นั้ น, น, น, นไวตอนถัดไปถัดไปก็ได้ทีนี้ประเด็นรเรื่องที่ว่าพอมีออจิตตสังขารจิตตสังขารขึ้นหนึ่งในเวทนาทําไมนะเพราะว่ามันไปนอยู่ระหว่างนั้นแหละระหว่างผัสสะกับเวทนาต้องมีการปรุงแต่งนะตรงนี้คือคจิตตสังขารแล้วทําจิตตสังขารให้ระงรับแล้วบานคนที่ฟุง้งซ่านคิดนั่นคิดนี่เนี่ยนี่นคือจิตตสังขารหมดเลยใช่ครับใช่ครับคุณสังเกตลมไม่ใช่อยู่เดี๋ยวคิดถึงบ้าน ครับจริงๆเป็นปัญหาใหญ่ของพวกนักภาวนาด้วยนะครับ<ช>เวลาถามก็จะบอกว่าอุ๊ยวันนี้ฟุ้งจังเลยก็คือคิดนู่นคิดนี่ไปหลากหลายใช่ซึ่งซึ่งจริงๆตรงนี้ต้องอธิบายเข้าใจว่า <c oughs> ฟุง้งซ่านเนี่ยเราก็มีสติอยู่ความฟุง้งซ่านได้มันไม่เกี่ยวอ๋อครับพระพุทธเจ้าคเคยพูดในฐานที่ตั้งของสติทั้งหมดสิบเก้าอย่างเนี่ยบอกว่าครับเอ๊ะถ้าเราตั้งใจตั้งใจจะทําจิตให้อยู่ในภายในแต่มันไม่อยู่เนี่ยก็ให้มีสติเอือ ง, งั้นอันนี้ก็เป็นฐานที่ตั้งของสติได้ แตฐานที่สองฐานที่สามนี่แหละได้ทังนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือสตินะไม่ได้ว่าต้องการเรื่องอื่นแล้วถ้าทําสติอย่างถูกต้องเนี่ยจะทําให้สมาสมาธิเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สมาสมาธิก็คือความสงบในใจนะถ้ายังทําอยู่ยังฟุ้งซ่านอยู่ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาสมาธิแต่สมาสติเนี่ยต้องให้มีอมครับครับทีนี้ขับระลึกได้่ประเด็นของเรื่องจิต เ, เรื่องของเวทนาก็คืออย่างนี้นะเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ใช่ครับอพอจิตตาสังขารสงบระงับแล้วเนี่ยคุณจึงจะเริ่มเห็นจิตได้นะทีนี้เวลาที่เห็นจิตเนี่ยอรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเนี่ยตรงเนี้ยลมหายใจเนี่ยจะเบาไปละอ๋อครับผมเพราะว่ากายสงบระงับเนี่ยคือกายเนี่ยมันจะเริ่มเบ า, เาลมหายใจเนี่ยจะเบาไปละพอลมหายใจเบาไปแล้วเนี่ยเอแล้วเราสามว่าสติไปตรงไหนอ่ะอถ้าเราบอกว่าให้ให้เอาใยใจของเรานะ ไปจดจ่ออยู่กับสัมผัสของลหมหายใจด้านในโพรงจมูกนะให้เป็นรั บ, ร, บรู้ถึงสัมผัสของลหมหายใจด้านในโพรงจมูกเอาลหมหายใจหายไปแล้วใช่ครับลหมหายใจหายไป<อ>แล้วในโพรงจมูกเอาจิตไปไว้ไหนดีครับอพอลมหายใจเบาจนจับจั บ, จ บ, จบรู้สึกไม่ได้จับจับความรู้สึกไม่ได้เนี้ค่ครับตรงนี้แหละก็ต้องเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าหายใจออกก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละอยู่ที่จิต เข้าใจไหมว่าที่เราต้องการเนี่ยเราไม่ทําการลมหายใจลมหายใจมันดับไปดีแล้วหายไปช่างหัวมันแต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยที่ติดอยู่กับลมหายใจที่มันเพิ่งหายไปแต่เงี้ยนั่นแหะคือจิตจิตติดอยู่กับลมหายใจใช่ไหมลมหายใจหายไปแล้วที่เหลืออยู่คืออะไรจิตเองนั่นแหละนั่นแหละให้อยู่กับตรงนั้นไปเรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกนึกออกม่้เพราะว่ามันมันละเอียดมาก ต้องอธิบายใหเข้าใจว่าลมหายใจติดอยู่กับจิตใช่ไหมลมหายใจติดอยู่กับจิตนะพอลมหายใจหายไปที่เหลืออยู่นั่นแหละคือจิตก็มีสติอยู่ตรงนั้นต่อไปอ่าแล้วก็พอพอทําได้อย่างนี้แล้วเนี่ยอ่าก็จะมีก็เรียกว่าไงก็ดีแล้วเพราะเป็นผู้มีสติละครับครัจริงจริงๆประเด็นพวกนี้เนี่ยการที่เรารู้เรารู้เนื้อหาก็คืออันนี้เป็นเหมือนกับภาคปริยัตใช่ไหมครับ ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบตัติคือภาวนาด้วยอาณาปณะสติเราจะเห็นชัดขึ้นนะครับท่านใช่ครับเออมันจะเห็นโอ้ใช่จริงๆสิ่งที่ตถาคต พ, พ, พูดเนี่ยมันอมันจริงอย่างที่มันจริงคือเราปัิจจตังอย่างนี้จริงๆนะครับคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะหมอรัตพงศ์กับพระไพบูลนี่พูดอะไรกันไม่เข้าใจนะต้องไปปฏิบัติมันจะไปเข้าใจได้ไงถ้าไม่ปฏิบัติใช่ครับใช่ครับต้องเป็นธรรมาวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมพพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ย ผู้มากด้วยปริยัตเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการสวดเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการแสวงหาครูบาอาจารย์เราก็แสดงแล้วแต่ทั้งหมดพวกนี้นะยังไม่ใช่ชื่อว่าผู้อยู่ได้ทำก็อธิบายว่าผู้อยู่ได้ทำก็คือผู้ที่มีจิตอ่ามีสมาธินะไม่สัดใส่ยไปในภายนอกไม่มีนิวรณ์มีสติอยู่เนี่ยผู้อยู่ได้ทำก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละอืมใช่ครับอืครับทีนี้เรื่องของจิตในจิตเนี่ยครับบุรุษชาติก็ ถ้าจะใช้สัมนวนของพระองค์นะก็จะบอกว่าเราไม่กล่าวอาณาปานาสติเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงครับพูดฟังให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าสติอาณาปานาสติย่อมเป็นสิ่งที่มีได้กับบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะใช่ครับถ้าถ้าพูดนี้ที่พระเจ้าพูดเนี่ยเป็นเขาเรียกพูดในในทางที่ใส่ใส่ในแง่บวใส่ตัวตัวตัวไม่ ทั้งสจุดแต่พูดเราเอาตัวไม่ออกถ้าจะพูดเป็นประโยคธรรมดาเนี่ยก็จะแปลว่าอานาปานสติเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติและสัมปชัญญะพูดเป็นอย่างงี้อ๋อครับครับถ้าสำนวนพุทธชาก็จะกล่าวว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้วไม่มีสัมปชัญญะใช่ครับทีนี้ว่าพอคุณจิตที่เอาไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจนั่นแหละจิตนั้นเนี่ยก็คือ ตามเห็นจิตในจิตเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยว่าเอจิตในจิตและจิตที่สองในข้างในมันเป็นอะไรยังไงก็นี่แหละนี่แหละเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตแล้วอย่างนี้นะอ๋อเป็นอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับอัตโนมัติแล้วคือความหมายตรงนี้อธิบายไปแล้วใครครับอ่าคือคือนิยามเนี่ยได้มอบให้ไปแล้วก็คืออย่างนี้เท่านั้นเองตามเห็นจิตในจิตแล้วไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้บางคนบอกจิตในจิตนอกจิตภายในภายนอกอะไรต่างครับ ก็แค่นี้แหละกบ่งแยกแค่นี้แหละก็จิตตัวเดียวนั่นแหละใช่ไหมครับใช่ก็ก็แค่นี้แหละคิดดูนะหมารัตพงศ์คนที่เห็นการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยล้วคิดว่าตรงนั้นเป็นจิตมันไม่ใช่นะเราต้องเอาการปรุงแต่งทางจิตออกคุณจะเริ่มเห็นจิตอย่างเงี้ยโอ้มันละเอียดมากซึ่งคนที่ปฏิบัตินถึงจะทราบเพราะฉะนั้นเนี่แหละคือจิตที่อยู่ในจิตคือจิตที่ลึกซึ้งขึ้นไปจิตที่เป็นผู้รู้นั่นเอง บางคนถ้าไม่เคยปฏิบัติจะไม่ทราบว่าเอ๊ะเราสังเกตลมหายใจอยู่เราสังเกตลมหายใจอยู่เนี่ยแล้วอะไรมาสังเกตลมหายใจฮึ่เกิดจิตง่จิตัวจิตถ้าเราสังเกตจิตอยู่เนี่ยนี่อะไรที่มันมารู้จิตตัวนี้ฮึมันก็มีอีกจิตหนึงใช่เป็นจิตี่เหรอว่าก็คือจิตในจิตใช่ครับตรงนี้แหละถ้าถ้าคนที่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะทราบครับและอย่างนี้ในตัวของจิตตานุปัสสนาเนี่ยคือสมมุติ จิตเราเนี่ยรับรู้เรื่องในเรื่องหนึ่งมาเราเราจะตามรู้เรื่องนั้นไปคือตามว่าเออเรื่องนั้นดําเนินต่อไปหรือว่าควรจะดึงกลับมาให้อยู่กับกับจิตปัจจุบันนะครับท่านท่านแนะนําตรงนี้ว่าอย่างไรครับเรื่องเรื่องอื่นเนี่ยเป็นการปรุงแต่งทางจิตนะอ๋อจิตจะไปอยู่ในเวทนาแล้วนะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งทางจิตสมมติคุณไปคิดเรื่องอ่าเรื่องครอบครัวคนอื่นอันนั้นเป็นจิต นั้นเป็นการปรุงแต่งทางจิตอออันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่หมวดของจิตตาพุทโธปัสสนาจะเป็นหมวดของเวทนานุปัสสนาอ่าอยงไรก็ตามจะตอบปัญหานี้ก็คือว่าก็ต้องอยู่ที่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องกุศลหรืออกุศลสมมุติเป็นเรื่องกุศลนะฮะเรื่องกุศลก็คิดได้สามารถพิจารณาได้อย่างเช่นว่าเราไปทําบุญที่ที่วัดนั้นวัดนี้โอ้เป็นบุญเกิดขึ้นอย่างนี้นะมีการไหว้ทานมีการสวดมนต์นั่มันก็ก็เป็นเรื่องกุศลนะเนาะก็สามารถคิดได้ ทีนี้พระรูปเจ้าได้เตือนไว้อย่างหนึง่งบอกว่าเป็นข้อที่ควรระวังนะเกี่ยวกับเรื่องของอสติปัฏฐานนี่แหละว่ามาเถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่แต่ยาตริตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปอยู่กับเวทนาเลยนะ่น<ม>นเหรอไห ม, ามยาตริตรึกในวิตกวิตกคือความคิด วิตกใช่ครับอในวิตกคือความคิดที่อันเข้าไปเกี่ยวกับเวทนาเลยเข้าใจไหมหมายความว่าอะไรวิตกวิตกคือความคิดปรุงแต่งด้านด้านดีอ่าด้านดีนั่นแหละใช่ด้านดีครับก็คืออันนั้นคือคือจะจะหลุดจะหลุดจากจากสติที่ที่เราจดจ่อกับสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้มันละเอียดมากหมอโนบงเป็นอย่างนี้สมมติใช่ครับเราคิดเรื่องเรากําลังคิดเรื่องโอ้หเราไปวัดอวัดนี้มานะ แม่พคุณเจ้าที่นั่นปฏิบัติดีจังเลยเทศดีจังเลยเราได้ถวายทานด้วยได้ฟังทำคิดอยู่ไปนะคิดไปนะคิดไปเรื่อยๆนี่คือวิตกนี่เหรอมใช่คนี่คือวิตกถามว่าคุณรู้หรือเปล่าว่ามันมีเวทนาที่อยู่กับวิตกนี้อ่ามีครับอ่ามีถ้ามีแน่นอนมีแน่นอนเพราะมีการปลี่แต่งมันต้องมีเวทนาต้องครับสติของคุณเยอยู่ที่เวทนานั้นนะใช่ครับแต่อย่าเข้าไปตรึกตรึกอันประกอบอยู่ด้วยอันนี้ แต่อย่าตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบอยู่ซึ่งกับจิตเลยซึ่งกับเวทนา น, นั้นเลยก็คืออย่าคิดปรุงแต่งในเรื่องนั้นต่อไป อ, อ๋อเ <หา S 2> ข้าใจครับใ ห, ให้นึกถึงเรื่องนั้นแต่เอาเวทนาของเขาแล้วมามีสติอยู่แต่อย่าปรุงแต่งต่อไปครับนี่อรือไหมรพระพุทธเจ้าจึงเตือนไว้ตรงนี้บอกว่ายถ้าเธอเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ก็ให้ตริตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบกับเวทนาแต่อย่าตรึกซึ่งวิตตกอันเข้าไปประกอบกับเวทนานั้นเลย คือมันเหมือนมีสองก้อนอ่ะใช่ครับ ก, ก้อนหนึ่งอ่ะ <Stones> สองก้อนติดกันก้อนหนึ่งเป็นวิโตักอีกก้อนหนึ่งเป็นเวทนาสติของเธอต้องอยู่ที่เวทนานะสติของเธออย่าไปอยู่ที่ก้อนที่เป็นวิตกแค่นั้นเองซึ่งกายก็เหมือนกันเห็นกระดูกอยู่ใช่ไหมครับแต่อย่าไปจิตของเธอนะสติของเธออย่าอยู่ที่กระดูกนะให้อยู่ที่อ่ากายอย่าไปอยู่ที่วิตกอันเข้าไปประกอบอยู่กับกระดูกนั้น ครับคือบางคนกลัวเห็นโครงกระดูกแล้วก็กลัวอุ้ยแบบกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้อย่าอย่าพิจารณาตรงนี้เรงความกลัวใช่ไหมให้อยู่ว่าเออกายเนี่ยอยู่ตรงโครงกระดูกให้พิจารณาเฉพาะอันนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วก็ถ้าเพื่อนผู้ฟังเนี่ยตรงนี้มันเรื่องละเอียดลึกซึ้งถ้าใครไม่ไม่เข้าใจนะให้อีเมลมาถามทางเพียวธรรมะคอมเนี่แหละครับอีเมลมาถามแล้วถามให้มันเฉพาะเจาะจงนิดนึงจะได้ตอบให้เฉพาะเจาะจงได้ ครับมครับแล้วก็นี่คือเรื่องของจิตในจิตครับตรงเนี้ยมีคำถามมีมีมีคำถามจากคุณกนกรัฐพอดีเขาถามมีสองคำถามคืออันแรกคือถามเรื่องจิตนานุปัสชนาสติปัฏฐานซึ่งท่านตอบไปละเมื่อสักครู่เขาถามว่าอะไรมีคถามหนึ่งเขาถามว่าผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นอืผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นอ๋อจะจะตอบตรงนี้จะสะดวกไหมครับเอาไว้ในดวงตบเลย <laughs> ผู้เข้าไปหาก็เหมือนจิตจิตเนี่ยเข้าไปห า, าจิตก็ถ้าเรามองถึงขันห้าใช่ไหมฮะก็มีรูปเวทนาสัญญาสัญขาวิญญาณก็คือตัววิญญาณเนี่ยหรือจิตเนี่ยก็เข้าไปหาขาันทั้งสี่จะทำให้ไม่ไม่หลุดพ้นไม่หลุดพ้นนะครับก็ไม่ไม่สามารถเข้าสู่วิมุตได้แต่ว่าถ้าไม่เข้าไปหาก็คือไม่ไม่เข้าไปเกาะใน ขันทั้งสี่ที่เหลือเนี่ยก็สามารถที่จะหลุดพ้นคือเข้าสู่วีมตทได้ใช่ไม่ทราบอันนี้อันนี้ถูกแ ล, ะละ้วล่ะก็อีกอีกประการหนึ่งถ้าเราเอาพูดอย่างห ย, ยาบๆเลยนะหยายบๆคุณไปห้างสับสินค้าคุณเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดเห็นกระเป๋าใบสวยๆรองเท้างามๆอย่างเงี้ยแหมเข้าไปหาเลยครับเข้าไปหาเลยอันนี้มันไม่มีทางเป็นอิสระจากตางหูจมูกลิ้นกายใจได้ใช่เพาพวกนี้ยังตกเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีทางหลุดพ้นอย่างนี้นะอ่านี่ก็ตัวอย่างง่ายๆอืม <c oughs> แล้วคุณกหนกรัฐมีคำถามอะไรอีก 5, 4, 3, ไหมห้าสี่สามเปหนึ่งเริ่มเลยครับคำถามที่สองของคุณกหนกรัฐนะครับคำถามก็คือถามว่าจิตตานุปัสสนาสติปฐานคืออะไรครับคือการที่ใช้จิตเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสตินะถ้าแปลกันตรงตรวัว ใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติเอ้าวทำยังไงอ่ะอาวทุกาก็บอกไว้ว่าการใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติเนี่ยก็คือว่าเอางนี้ทําจิตให้ตั้งมั่นหรือเป็นผู้รู้พ ร, ร้อมเฉพาะซึ่งจิตเอาจิตอยู่ที่ไหนใช่ไหมเนี่ยเอาความ ร, รับรู้ของเราไปจดจ่อ ย, อยตรงนั้นที่เดียวเลยนะอยู่ตรงจิตนั่นแหละนั่นแหละคือใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งของสติก็ได้นะเป็นผู้ที่ตามเห็นจิตในจิต เพราะฉะั้นคำคว่าจิตตามนุ ป, ปัฏนาสติปัฏฐานหรือเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตมีความหมายเหมือนกันหรือความเป็นผู้ที่เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ก็เหมือนกันครอย่างนี้ออย่างนี้ถ้าจิตจิตหลุดไปอย่างอื่นก็ให้กลับมาที่จิตเดิมอย่างนี้ใช่ไหมครับจิตหลุดไปเรื่อง<น>อื่นก็คือไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในสติปัฏฐานสติหายไปแล้วนะสติหลุดไปแล้วใช่ครับแต่ถ้าเราไปมีสติในเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้าเราไปเพลินกับเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นมาเอ้ยไม่เห็นอะไรของมันเพลินคิดไปก็ไม่ใช่เราก็ทำไงแล้วก็ปล่ยตรงนั้นซะนะแล้วก็กลับให้มาอยู่ที่สติอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่จิตก็ได้ครับทีนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่าจิตกับลมหายใจมันไม่ใช่อันเดียวกันครับไม่ใช่กันแต่อยู่ติดกันเราต้องให้จิตของเราเนี่ยอยู่ติดกับลมหายใจอย่าให้ลมหายใจเนี่ยหายใจทิ้งทิ้งไป ทิ้งๆกว้าๆไปไม่เอาเออนะให้จิตเนี่ยมีอยู่มีสติครือรับรู้อยู่กับลมหายใจตลอดเวลาอย่างนี้ ค, คือจริงๆมันมาด้วยกันนะสติปัฏฐานทั้งส่ไม่ได้ย่อยแยกกันพิจารณากันอะไรใดลักษณะใดสน ษ, ษณะหนึ่งเลยนะอันนี้คือเรื่องของจิตอ่าจิตตาม น, นุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าการตามเห็นจิตในจิตส่วนเรืร่องของธรรมะนะคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน Uh, ก็คือคเป็นผู้ที่ตามเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกคือถ้าเมื่อไหร่เธอเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็สังเกตลมหายใจไปด้วยนะนั่นแหละคือผู้ที่ช like ื่อว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายแล้วอครับเห็นความไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วสังเกตลมหายใจไปด้วยนั่นแหละเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอานาปานสติกแล้วถ้ท่านนี้มันจะไปเรียกว่าเป็นสมถะอย่างเดียวได้ไงอันนี้มันชัดเจนนะคุณเห็นความไม่เที่ยงใช่ะเห็นลมหายใจด้วยเออมันไปด้วยกันได้คนที่ ทำเนี่ยถึงจะรู้อ๋อเราเห็นความไม่เที่ยงเอาเอาลรหมายใจเลยเดี๋ยวมันเข้าไม่ออกเดี๋ยวมันออกไม่เข้ามันเข้ามันต้องออกมันออกจะไม่เข้าไม่ได้ใช่ครับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่นี่คือความไม่เที่ยงละครับอันนี้จังใช่ครับอันนี้ก็เป็นผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหรือว่าความจางคลายก็ได้ความจางคลายก็คือความที่มันอบุบๆลงไปได้เนี่ยบุบๆไปชัดบ้างเบาบ้างอย่างนี้แล้วก็ดับไม่เหลือก็ได้ ดับไปได้อดับไปได้ครับครับแตส่วนความสลัดคืนเนี่ยตรงนี้ที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นผู้ที่ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าหายใจออกสลัดคืนตรงนี้ก็คือคไม่เอาละปล่อยวางครับปล่อยวางโพสสัคะน้อมไปเพื่อความสลัดคืนปล่อยวางครับปล่อยวางจ้าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับไปเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับไปเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆจิตจะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางอ๋อที่มีคํากล่าวว่า ถ้าเจริญอนิจจสัญญาอืมเป็นประจําใช่ทุกขัสัญญาก็จะมั่นคงใชแล้วก็อนัตตสัญญาอ่าถ้าเจริญทุกขสัญญามากมอนัตตสัญญาก็จะมั่นคงผู้ที่มีอนัตตสัญญาเนี่ยก็จะถอนความสาคัญบรรหมายว่าตัวตนคืออาหางการมามังกาอนุสัยได้ครับก็ใกล้ใกล้เข้าสู่นิพพานเรลยใช่ไหมครับใช่ก็คือตรงเนี้ต้องเข้าใจว่าไอ้อวิชชาเนี่ยมันไม่ใช่ว่า าวางปุ๊บปั๊บแล้วก็แตกดับหมดเลยไม่ใช่งั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะของเหมือนไหลตะเลยอวิชชาเ<อ>นี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าจางคลายดับไปไม่เหลือเพราะฉะนั้นมันจะ ค, ค, ค่อยๆจางคลายไปอวิชชานะจะ ค, ค, ค่อยๆจางคลายไปจางคลายไปโน้มเอียงเทะเอียงเป็นลักษณะนี้ยลาดเอียงเทงเอียงอจางคลายไปเนี่ยหมายความว่าคุณอวิชชาคุณจะค่อยๆลดลงอย่างตอนเนี้ยถ้าเราบอกว่า เอ๊มีของเล่นเด็กสมัยก่อนไหมเรามีที่เรายังเคยเก็บอยู่ถ้ามีคนเขาเอาไปเล่นเนี่ยเราจะเดือดเนื้อร้อนใจไหมเราก็ไม่เดือดเนื้ อ, อนใจตอนนี้เฉยๆครับแต่สมัยเด็กนี่ไม่ได้เลยนะใครจะรถจักรยานสามล้อไปนี่เดี๋ยวด่าเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวแ ย, ย่งกันเพราะยังมีอวิชาอยู่มากหลังพอเราเริ่มมีอวิชาลดลงไปเรื่องนี้เราก็ไม่เดือดร้อนละมันก็จะ ค, ค่อยๆมีเพิ่มขึ้นนะนะให้มีมากขึ้นครับเพราะงั้นก็เหมือนกันในเรื่องของธรรมะเนี่ย คือเราก็ตามเห็นอยู่ตลอดน ะ, นะ บ, บางคนก็ต้องบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีทุกรูปแบบไม่ใช่จากัดอยู่ที่ว่ า, าฉันไม่มีเวลานั่งสมาธิเลยไม่ใช่ถ้าคุณยังมีเวลาหายใจอยู่เนี่ยนั่นแหละเวลาปฏิบัติได้อ๋อ <นะ S 2> ก็คือดูลมหายใจใช่สังเกตลมหายใจใช่ครับให้มีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยถือว่าปฏิบัติแล้ว ไม่ได้ว่าอยู่รูปแบบไหนทีนี้การปฏิบัติอย่างที่เป็นรูปแบบเนี่ยต้องมานั่งสมาธิในห้องพระบ้างหลับตาบ้างลืมตาบ้างอะไรอย่างนี้อันนั้นเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบซึ่งควรจะมีไหมก็มีบ้างถ้าแบบว่าคุณยังฝึกไม่เข้มแข็งเพียงพอครับอ่อย่างพวกที่เขาฝึกกังฟูต่อสู้อย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องไปฝึกกับสํานักอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ต้องไปอ่าไปหาความรู้ข้างนอกละต้องเข้าสู่ยุทธจักรอย่างงี้นะอ๋อครับ ใช่ครับเมือนกับว่าฝึกฝึกการหลีกเลนในในรูปแบบเนี่ยเพื่อที่จะนำความรู้หรือการปฏิบัติเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือมาท่องในยุทธจักรในเจอผัสสะทั้งหลายรูปลดกินเสียงอะไรต่างๆสัมผัสใช่ครับเพราะนั้นเครื่องมือพระเจ้าให้แล้วนะคุณจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ให้ไปอยู่ในสถานที่สี่อย่างนี้คือกายเวทนาจิตหรือธรรม อ๋อให้ท่องไปในทั้ง4ี่ที่เรียกว่าลูกลูกในคอกใช่ไหมครับมีพระสุตในคอกก็คือเป็นผู้ที่เป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยให้เข้าท่องเที่ยวไปในที่อเน็นบิดาของตนนพ่อไปทางไหนลูกกระเพีงนั้นน่ะนะพ่อไม่ไปที่อื่นนอกจากมีสติคือสติฐานทั้ง4ี่กายวัฒนาจิตรามเพราะนั้นให้จิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวไปใน4ีที่นี้เท่านั้นครับคุณจะไปอยู่ไหนอ่ะอเมริกาเหรอปาเหรอ ว่าปลาะไชโศกใช่ไหมว่าปลาบรรดาหรือว่าปลาพงหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้เอาอยู่ในสี่อย่างนี้อยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตหรืออยู่ในธรรมในธรรมอย่าให้จิตออกจากสี่อย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นต้องเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลในเหตุคือกายเวทนาจิตธรรมผลคือสติเหตุคือลมหายใจผลคือกายเวทนาจิตธรรมเหตุคือกายเวทนาจิตธรรมผลคือสติเอาฟังให้ดีครับอาณาปานสติเป็นเหตุ ให้เห็นกายเวทนาจิตและธรรมกายเวทนาจิตและธรรมเป็นเหตุให้เห็นสติให้จิตมีสติสติเป็นเหตุนะจึงมีโพชฌงเจตตั้งเกิดเกิดขึ้นดาวโพชฌงเจตเป็นผลของการมีสติใช่ไหมใช่โพชฌงทั้งเจตเป็นเหตุผลคือวิชาเรวิมุติวิชาเรวิมุติเป็นเหตุผลคืออวิชาดับไปอย่างนี้นะไล่ไปเข้าสู่การหลุดพ้นอย่างถาวรเลยทีนี้เรื่องของไอตรงที่ อาตมาพูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอ่าณาปานสติเนี่ยเป็นเหตุใช่ไหมทีนี้แล้วอะไรเป็นเหตุของอาณาปานสติอืมออะไรเป็นเหตุของอาณาปานสติอะไรเป็นเหตุของอาณาปานสติอยู่ๆคนใทยคนหนึ่งอ่ะมืนัทพงศ์จมบัตสังเกตลงไปใจสังเกตไปทําไมวะก็ต้องเหมือนกับอมีสัมมาทิฏฐิไหมครับท่านอันเนี้ยเรื่องเนี้ยอาตมาจะมาตอบเขาหน้าครับเราจะไม่ค่อยคุ้นเก่าหนมากเลยเพรับว่า อยู่อยู่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอ่ะคุณจะมาสังเกตลมหายใจเพราะอะไรจะมาดูลมจะมามีสติทำไมใช่ใช่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ดีกว่าหรือใช่ครับพูดถึงคนปัจจุบันนะครับวันนี้คิดว่าเห็นสมควรเก่บเวลาแล้วเราจะค่อยมาเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องนี้ตอนต่อไปครับครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังแล้วก็ขอกราบน้ำมัสการพระอาจารย์ภบูลอภิบุญโนแห่งวัดป่าดอนไฮโซครับกราบนัสการครับ